เราโดยภูมิจิตภูมิธรรมพวกเรามันรู้ด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องฟังพระพุทธเจ้าสอนอะไรชัดท่านสอนอริยสัจมีทุกสมูทยัยนิโรธมรรคที่ท่านก็แจกแจงละเอียดให้มากขึ้นทุกเป็นของควรรู้สมูทัยให้ละนิโรธทําให้แจ้มมรรคทำให้เจริญนี่คือกิจต่ออริยสัจ ที่ท่านแยกทุกข์ออกไปอีกเป็นสองก็เป็นรูปกันนำเงินบางครั้งท่านจะสอนว่าธรรมะที่ควรรู้ก็คือรูปกันนำตัวสมุทัยคือตันหาที่ท่านก็แจกละเอียดออกไปบอกอวิชากตันหาเป็นของคนละนิโรธ แล้วก็แจกให้ละเอียดขึ้นไปเป็นวิมุตต์กับนิพพานเป็นของควรทำให้แจ้งมรคมีองค์8หรือามรคมี1แต่มีองค์8องค์ประกอบ8อย่างมรคมีอันเดียวในขั้นปฏิบัติท่านแจกแจงสมถากวิปัสสนาเป็นของควรทำให้เจริญด้วยปัญญาอันยิง่งจะสอนทุกก็แยกเป็นรูปกัะนำ น, นั่คือตัวทุก สมุทัยก็ล้างอวิชชาตันหานี่ให้ละเสียนิโรธแจกออกไปให้เป็นสองเป็นวิมุตต์กับนิพพานมรรคซึ่งเป็น1นะมรรคมีหนึ่งนะอย่าไปว่ามรรคมี8ดนะมรรคมี1แต่มีองค์ประกอบ8อย่างตัวนี้ต้องชัดนะถ้ามรรคมี8ดอย่างเนี่ยเราก็เลือกทำาลรมรรคได้อย่างนั้นเรียกว่ามรรคมากมรรคมี1เท่านั้นไม่มาก มากเป็นของควรเจริญนี่พอท่านจะแจกให้เป็นสองนะท่านก็บอกสมถะและวิปัสสนาเนี่เป็นของที่ควรเจริญแต่ด้วยปัญญาอนยิง่งเพราะพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาท่านจะแจกธรรมะออกไปจากย่อๆจาก1เนี่ยแจกเป็น2ก็ได้แจกเป็นเยอะๆก็ได้แจกเป็นสได้ไหมหทุกแตกทุกให้เป็น3าได้ไหม ได้เป็นจิตเจตสิกรูปนะแตกให้เป็นสามได้สมูไทยละ่ะทำให้เป็นสามได้ไหมเอาวิชาตันหาอุปาทานถ้าจะทำนะท่านเป็นธรรมราชาท่านแจกแจงได้เยอะอย่างมรคมีองค์แปพอแยกเป็นสมถาวิปัสสนาถ้าแยกให้เป็นสามท่านก็แยกเป็นสีลสมาธิปัญญาก็แยกของท่านได้ นี่รธน่ะถ้าจะแยกนะเป็นมรรคผลนิพพานเป็นสามก็ทำได้นี่พวกเราอยู่ๆไปทำเองไม่ได้ไม่ใช่ภู่มรู้ของเราเอาแค่ว่าเรามาเรียนรู้รูปให้มากรู้รูปรู้นาให้มากนะเรียกว่ารู้ทุกอย่างเราได้ยินว่าทุกให้รู้นะเราก็จะไปนึกว่าไปรู้ว่าแก่แล้วอะไรเงี้ยไปรู้ว่าไม่สบายนี่เรียกว่ารู้ทุกนี่ไม่เรียกว่ารู้ทุกนะ ไปรู้ว่าคนนี้แก่คนนี้เจ็บคนนี้ตายไปรู้ว่าคนนี้กำลังพลัดพรากจากสิ่งที่รักคนนี้ประสบกับสิ่งที่ไม่รักเนี่ยกำลังทุกข์อยู่อนั้นทุกข์โดยสมมติมีคนมีคนแก่คนเจ็บคนตายไม่ใช่ตัวทุกข์ในอริยสัจสิ่งที่เป็นทุกข์ในอริยสัจไม่มีคนมีแต่รูปกับ น, นามรูปกับ น, นามนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ ถ้าเข้าใจทุก์เมื่อไหร่จะละสมูทัยเมื่อนั้นถ้าละสมูทัยเมื่อไหร่จะแจ้ง huh. นิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่อริยมรรคก็เกิดเมื่อนั้นนะงั้นทุกสมูทัยนิโรธมรรคมีสี่อย่างมีกิจสี่ชนิดแต่ทํากิจนั้นสําเร็จในขณะจิตเดียวกันเมื่อไหร่รู้ทุกแจ่มแจ้งเมื่อนั้นละสมูทัยเมื่อไหร่ละสมูทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่แจงนิโรธเมื่อนั้นมีอริยมรรค คราวหนึ่งมีพระอราหันต์หลายวงนะท่านไปอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มพระควัมปติรู้จักพระควัมปติไหเป็นเพื่อนพระยาศรรู้จักชื่อพระยาศรไหมยาศักุลบุตรมีเพื่อนทั้งหมดทั้งทีมในะนี่ห้าสิบห้าคนก่อนจะมาเป็นพระอราหันต์กันทั้งทีมในชาตินี้นะท่านทำงานป่อเต็กตึงงานหลักของท่านนะั่นเที่ยวไปเก็บศพไม่มีญาติมาเผาเป็นที่น้บุญของท่าน แค่ไปเก็บศพที่ทิ้งๆอยู่เนี่ยเอามาป่าช้าช่วยท่นเผาวันหนึ่งไปเก็บศพสาวสวยมาถูกจริงไว้ก็มาเผายังสดๆอยู่เลยสวยดูแล้วก็มีราคานะสวยพอเผาเนี่ไฟมันลอกลวกเข้ามันลอกหนังท่านก็เรียกเพื่อนมาดูพวกเรามาดูสิสาวสวยเมื่อกี้นะตอนนี้เหมือนวัวดังๆ เหมือนตัวบัวด่างๆนะไม่ใช่สวยอย่างเดิมนะเผาต่อไปจนถึงกระดูกถึงอะไรนี้ท่านคอยเรียกเพื่อนมาดูด้วยทั้งทีมเนี่ยนะท่านได้อาสุภัสสัญญาเนี่ยบารมีตรงนี้นะทำให้ได้อาสุภัสสัญญาติดในความเห็นเลยฝังลงไปในใจเลยว่าผู้หญิงมันไม่ได้สวยได้งามจริงหรอกงั้นตอนที่บารมีแก่กล้าท่านตื่นขึ้นมากลางคืนนะเห็นอีหนูของท่านนอนเรราดอยู่ ท่านเกิดอสุภสัญญาขึ้นมาถ้าของเราจะเกิดกร ม, มาสัญญา้าเราสร้างบารมีมาคนอะไรแบบเหมือนท่านท่านมีอสุภสัญญาถ้าอย่างเนี้ยหน้าตาหนุ่มๆอย่างแต่ละคนนะเห็นสาวนอนโป้คงเกิดสุภสัญญาเออเกิดกร ม, มาสัญญาแล้วท่านเกิดอสุภสัญญาแล้วท่านทนอยู่ไม่ได้นะน่ากเกลียดขี้เกียดดูนอนน้ำลายไหลอะไรเงี้ยเดินออกไป ที่ป่าอิสิปตนามฤุทตายวันเปพบพระพุทธเจ้าเขาได้ฟังธรรมว่าบรรลุพระอรหันต์เพื่อนๆนท่านอ่ะออกตามมานะมาบรรลุพระอรหันต์กันหมดเลยทั้งทีมเลยของท่านรวมแล้วหสิบน่ยมั้งพระควัมปติเป็นหนึ่งในเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้แหละก็เป็นพระอรหันต์แล้วท่านไปอยู่ด้วยกันหลายองค์ไปบินธบัตกลับมาฉันเสร็จแล้วก็นั่งคุยกัน พระสมัยพุทธกาลไม่ได้บินธบาตมากินที่วัดนะท่านเดินบินธบาตได้อาหารพอฉันแล้วท่านก็แวะเข้าข้างทางฉันเลยไม่ต้องมาเดินแบกมาเมื่อยหรอกของเรามันดูน่าเกลียดพระเราเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีป่าด้วยะไปนั่งกินอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างถนนนั่งยองๆกินแล้วก็ผงไม่งามอะ่นะ <c oughs> อยู่ข้างถนนนะรถวิง่งชิวๆพระนั่งฉันสวย เลยมาฉันกันที่วัดพอท่านฉันข้าวเสร็จแล้วท่านับมารวมกลุ่มกันนะท่านก็คุยดำมะกันทําไมไม่ไปภาวนากินเสร็จแล้วทําไมมานั่งคุยกันท่านเป็นพระอราหันนะอย่าโทษพระอราหันนะะท่านเป็นพระอราหันอย่าไปว่าท่านก็ท่านไม่มีอะไรต้องภาวนาแล้วท่านว่างๆท่านั่งคุยกันองคหนึ่งท่านก็ตั้งยติขึ้นมาบอกเนี่ยผมภาวนานะผมรู้เลยว่า เมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไรละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้นิโรธเมื่อไหรแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเจริญมักทุกองค์เห็นพ้องต้องกันหมดเลยใช่ใช่เห็นเหมือนกันหมดเลยพระความปฏิท่านบอกท่านเคยได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสเมื่อไร่รู้ทุกข์ก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมักนะเมื่อไรละสมุทัยเมื่อนั้นแหละรู้ทุกข์แจ้งนิโรธเจริญมักเมื่อไหรแจ้งนิโรธนะเมื่อนั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยเจริญมัก เมไรมักจเจริญขึ้นมานะก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธมุมใดก็ได้เลยท่านแตกฉานมากเห็นไหมความแตกฉานของพระพุทธเจ้าสาวกมองได้มุมเดียวอรู้ทุกพวกเราก็อยากเก่งถึงขนาดแผ่แจ้งนิโรธก่อนรู้ทุกเลยนะมุ่งคงไม่แจ้งอะ่ะ <c oughs> จริงๆท่านพูดได้สีม่มุมเลยเพราะว่ามันเกิดในขณะจิตเดียวกันแต่เวลาลงมือทํานะลงมือทําเนี่ยเจริญปัญญา ในมรรคมีองค์8มีศีลสมาธิปัญญาตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนฝึกสมาธิคือฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าล่องลอยอย่าเผลออย่าใจลอยอย่าไปเพ่งทื่อๆอยู่ฝึกจิตให้รู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละเรียกว่ามีสมาธิเจริญปัญญาก็คือรู้ความจริงของรูปของนามแยกธาตุแยกขันไปที่อาจามหาบวสอนนะ่นถูกเป๊ะเลยไม่แยกธาตุแยกขันนะอย่ามาอวดเรื่องเจริญปัญญาไม่มีหรอกพอแยกธาตุแยกขันได้แนละ้วเนี่ย รู้ความจริงของาธาตุของขันธ์ของกายของใจของรูปของนามไปความจริงของรูปนามก็คือไตรลักษณ์ไม่ใช่อสุภาไม่ใช่ปฏิกรูนไม่อย่างนพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภาไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์งั้นถ้าเราจะพัฒนาตัวเองนะจะเจริญมรรคทำมรรคให้เจริญเนี่ยก็ด้วยการรู้ทุกนั่นแหละในขั้นของการเดินปัญญาจะทําให้มรรคเจริญในแรกเลิกศีลนะฝึกสมาธิฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเดินปัญญา แยกธาตุแยกขันไปเรืตรงที่เราเข้าใจความจริงของธาตุของขันอันนั้นแหละเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่าธาตุขันกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ของดีของมิเศษเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้อย่างนี้จิตจะวางไม่ยึดถือเมื่อจิตไม่ยึดถือในรูปในนามแล้วเนี่ยสมูทัยเป็นอันุถุละอัตโนมัติละแล้วละเลย ไม่ต้องละซ้ําครั้งที่สองแล้วละทีเดียวขาดไปแล้วไม่มีให้ละอีกแล้วงั้รู้ทุกเมื่อไหร่จะละสมุทัยอย่างเรารู้ความจริงแล้วรูปนามนี้เป็นตัวทุกสมุทัยคือความอยากอยากอะไรอยากให้รูปนามเป็นสุขน่ะสิอยากให้รูปนามพ้นทุกน่ะสิความอยากจะไม่เกิดขึ้นเพราะปัญญามันแจม่มแจง้งมันรู้ว่ารูปนามเป็นทุกจะไปอยากให้มันไม่เป็นตัวทุกนั้นเป็นไปไม่ได้นะความอยากให้กายให้ใจของเราเป็นสุขก็เป็นไปไม่ได้ เะฉลาดในสวุดถ้าทำลายตันหาไปเพราะฉลาดมีปัญญานะรู้ทุกแจ่มแจ้งก็เลยละตันหาละสมุทัยได้ละสมุทัยได้จิตปราศจากตันหาเมื่อไร่จิตจะเห็นพระนิพพานเมื่อ น, นั้นตันหาได้มันกวางทําให้จิตเรามองพระนิพพานไม่เห็นนะถ้าละตันหาได้เด็ดขาดนั้นก็เห็นนิพพานเพราะอะไรพระนิพพานคือสภาวะแห่งความสิ้นตันหานะเป็นสภาวะแห่งความสิ้นตันหา เนรู้ทูกข์เกี่ยมแจ้งนั่แหละ เ, ละเรียกเจริญมรรคอยู่นะรู้ทูกข์เกี่ยมแจ้งว่ากายนี้ใจนี้รูปนี้นามนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษก็จะละสมุทยัยละสมุทยัยละตัณหาตัณหาดับสนิทเมื่อไหร่ก็รู้จักนิพพานคือสภาวะซึ่งปราศจากตัณหาเห็นมทุกขูสมุทัทยนี้ร้อนมากเลยเกิดด้วยการที่เราหัดจเจริญมรรคด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆ แต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางคือจิตที่สรงสมาธิไม่ใช่สมาธิสงบแต่เป็นสมาธิตั้งมั่นเงั้นบางคนบอกว่าหลวงปู่ดูลสอนดูจิตโดยการประคองจิตให้นิ่งให้ว่างความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งสอนเงี้ยพระอราหันต์เนี่ยมีจิตอยู่ภายในนิรันดรสว่างรุ่งเรืองว่างเปล่าอยู่ภายในนิรันดร อ, อันนั้นไม่ใช่พระอราหารันต์ พาาระอรหันต์ไม่มีภายนอกภายในแต่ยังมีภายนอกภายในยังมีธรรมที่เป็นคู่คู่อยู่ไม่ใช่คําสอนของหลวงปู่ดูลแน่นอนเยอะเป็นธรรมคู่อยู่ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่จิตหนึ่งแต่เป็นจิตคู่นะมีภายในมีจิตภายในมีจิตภายนอกฉะนั้นเราเวลาฟังธรรมะต้องแยกให้ออกนะฟังฟังแล้วน่าเชื่อถือหน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยจะหลงทิศหลงทางตระเิดเปิดเปล่งไปถ้าจิตจะเป็นหนึ่ง จิตเป็นหนนะจิตจะทำเปน็นอันเดียวกันอ น, นั้นเกิดในสภาวะที่สิ้นตัณหาแนละ้แจ้งพระนิพพานจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ธรรมะก็เป็นความบริสุทธิ์จิตก็เป็นตัวความบริสุทธิ์ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกันแล้วเสมอกันระหว่างสาวกกับพระพุทธเจ้านะมีสิ่งเดียวที่เสมอกันนะคือความบริสุทธิ์ส่วนปัญญานะไม่เท่าท่าน กรุณาเงี้ยไม่เท่าท่านแต่ว่าความบริสุทธิ์นั้นเป็นอันเดียวกันเม้จะกลืนเป็นอันเดียวกันนะไม่แบ่งแยกหรอกจะรู้สึกเป็นอันเดียวตรงที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับจิตรวมเป็นอันเดียวกันนะจะแจ้งพระนิพพานอยู่นะจิตกับพระนิพพานจิตจะสลายตัวลงไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งสลายตัวรวมเข้ากับพระนิพพาน เข้ากับความว่างของจักรวาลเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานเหมือนไอ้ที่ว่าน้อมใจให้ว่างโดยที่มีจิตเป็นคู่ไม่ใช่หรอกหลงทางลจะแจ้งพระนิพพานได้ต้องรู้รูปนามตามความเป็นจริงจนถ้าละความยึดถือในรูปนามได้ก็จะละความอยากในรูปนามหมดความอยากได้ก็จะแจ้งพระนิพพานแจ้งพระนิพพานจิตเถิดพระนิพพาน จิตจะรวมเข้ากับพระนิพพานนะเป็นหนึ่งรวมเข้ากับความว่างไม่ยึถืออะไรว่างอยู่แค่นั้นตัวนั้นแหละภาวนาตัวนี้บางทีท่านเรียกว่าธรรมาธาตุครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านเรียกสภาวะที่จิตที่ที่สัมผัสพระนิพพานเนี้ว่าธรรมาธาตุอาจารย์มหาบัวเรียกธรรมาธาตุหลวงปู่ดูนเรียกว่าจิตหนึ่ง สมเด็จญาณสังวรท่านไม่ธรรมดานะสมเด็จพระยานสังวรถ้าฟังธรรมะเป็นจะรู้ว่าท่านสุดยอดเลยท่านเรียกสภาวะอันนี้ว่าวิน ญ, ญาณธาตุอาจารย์พุทธธาตท่านเรียกสภาวะ น, นี้ว่าจิตเดิมแทะหลวงปู่เทศท่านเรียกสภาวะ น, นี้ว่าใจหลวงปู่มุนดาท่านเรียกว่าจิตเดียวหรือใจเดียวจําไม่ได้นะ แต่และองค์แต่และองค์เนี่ยท่านพูดถึงสภาวะอันเดียวกั น, นแต่โดยสมมุติบัญญัติที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราไม่เข้าใจเราตัวสึกแต่และองค์พูดไม่เหมือนกันไปติดอยู่ที่คำพูดงั้นในบรรดาพระทั้งหลายนะที่หลวงพ่อเห็นว่าสุดยอดจริงๆนะสมเด็จญาตในด้านภาวนาก็สุดยอดนะในด้านปริยัติก็ปเปลี่ยนก้านะสุดยอดนะ ในด้านปกครองคณะสงฆ์ก็สุดยอดนะเป็นสังฆราชแต่เป็นสังฆราชที่สุดยอดสังฆราชเองไม่ใช่เป็นอริยะวงศ์สาวกตยานจะเป็นญาณสังวรสังฆราชงั้นสุดยอดจริงๆนะองเนี้ยไม่ธรรมดาหรอกหัดภาวนาณนะ์เราไม่ได้เท่าท่านหรอกนะได้หน่อยหนึ่งของท่านก็บุญแล้วละ่นะใช่ฝึก อ่ะต่อไปส่งกันบ้านอ่ ะ, อะเชิญก็ส่งสวรรคนี้กดกดไว้ตลอดนะฮะกดเอาไว้ตลอดนะฮะก็วันนี้ไม่แน่ใจว่ามีเหลือบ้างอยู่หรือเปล่าครับผมมีน้อยไม่มากนะมีนิดหน่อยถ้ากดไว้ไม่มีความสุขครับเน่นหลวงพ่อไม่ทราบ ว, ว่าพอจะชี้แนะไหมว่าคื อ, อช่วยชี้แนะหน่อยครับผมไม่ค่อยได้มีโอกาสมาส่งการบ้านหลวงพ่อช่วยชี้แนะหน่อยว่านำดูสภาวะ อย่างหลงเนี่ยผมดูไม่ค่อยช้าเอาง่ายที่สุดเลยนะรู้เวทนาทางใจไว้พระพุทธเจ้าสอนเองอันนี้ว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดดูจิตนะเราดูสภาวะอะไรมากมายไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องตกใจใจมีความสุขขึ้นมารู้ทันความสุขหายไปรู้ทันใจมีความทุกข์ขึ้นมารู้ทันความทุกข์หายไปรู้ทันฝึกแค่นี้แหละถ้าเกิดรู้สึกเหมือนคืออาจจะไม่แน่าจะว่าเป็นการพยายามทําเองหรือเปล่า คือมักจะเคยชินกับการดูเป็นเป็นสภาวะมากกว่าว่าคือมันก่มันจงใจดูไปจงใจกันไปจงใจดูเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนไปดูนะมันไม่อยู่ห่างๆนะมันไหลเข้าไปถ้าไหลเข้าไปปัญญาไม่เกิดสมาธิไม่ตั้งมั่นเพราะงั้นระวังเรื่องจิตไหลไปเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอรมณ์นะความสุขเกิดขึ้นแล้วแค่รู้ ความทุกข์เกิดขึ้นแค่รู้นะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วหายไปก็แค่รู้เราจะเห็นเลยว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวถ้าเห็นตรงนี้ได้นะใจก็จะไม่หิวความสุขใจก็จะไม่เกลียดความทุกข์ใจก็จะไม่ดิน้นตัวเวทนานี่นะเป็นปัจจยัยให้เกิดตัณหาถ้าเรารู้ทันนะความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันว่ามันของชั่วคราวใจก็ไม่มีตัณหาใจไม่ดิน้นความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่าเป็นของชั่วคราวใจก็ไม่ดิน้น นะดูตรงนี้ให้มากธรรมะอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่ารัดสั้นที่สุดนะการรู้เท่าเวทนาเวทนาเกิดในใจเราตลอดเวลาแลละคอยดูไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกขัดดูตัวนี้ไปนะถ้ามีความสุขอยู่ก็รู้มีความทุกข์ก็รู้รู้ให้มากเล่นตัวนี้ให้มากตัวนี้ง่ายนะตัวอื่นไม่สำคัญนะคือถ้าเมื่อไห่เผลอไปมันสุขมันก็ไม่รู้ทุกข์มันก็ไม่รู้ ถ้ามีความสุขขึ้นมาก็รู้ก็าเรียกว่าไม่เผล่แล้วตื่นเต้นแล้วก็โกรธอยู่เรื่อยเลยเจ้าค่ะเวลาเจอหลวงพ่อแล้วก็เจ้าเห็นความโลภที่เวลาเดินจงกรมอะ่ะเจ้าค่ะมันจะเหมือนตั้งเวลาไว้ว่าจะเดินให้ได้ชั่วโมงนึงก็เพิ่งจะเห็นว่ามันมีความโลภแฝงอยู่แล้วก็หลังจากอย่ายไปตั้งนานสิตั้งไว้ชั่วโมงนึงแต่ดูนาฬิกาทุกห้านาทีมันเสียเวลา <laughs> อย่ายตั้งเยอะเกิน ตั้งไ้สักยี่สิบนาทีแล้ไม่ไปสนใจนาฬิกาถึงเวลาเราก็เดินต่อไปอีกสบายใจเดินได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแยกขันไม่ค่อยแยกนะเจ้าค่ะหลวงพ่อ อ, อยากแยกไหมนะรู้ทันลงไปมันก็แยกเลยรู้ไม่ทันมันก็ไปรวมกันอา้าวต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อเชวนนะ เอาเท่าที่จําเป็นนะขอที่จําเป็นนะค่ะก็เ อ, อคือตอนแรกก็จะจากที่ผ่านมาค่ะก็จะเห็นว่าท่านยังรู้สึกไหมว่าจิตเดียวนี้กับแต่ก่อนเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เที่ยงอะคะ่ะอืมมันขึ้นขึ้ น, นลงลงแล้วก็เลยเห็นว่าความสม่ำเสมอเป็นหัวใจหลักสําคัญในการภาวนาค่ะถ้าถ้าเกิดย่อหย่อนปุ๊บมันก็กลับไปแปะ คือเราภาวนาเนี่ยต้องสม่าเสมอต้องเลยนะอย่างทุกวันต้องทำแต่ว่าไม่ใช่ทำเพราะว่าเรามันจะดีบางคนไปคิดแค่ว่าถ้าทำสม่าเสมอแล้วมันดีถ้าไม่สม่าเสมอแล้วตกจริงๆไม่ได้ดูตรงนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ทำสม่าเสมอนะคล้ายๆเราคุม Input คุมตัว Input นะให้คงที่ไว้แล้วเราพอป้าแต่ละวันทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เราทาเหมือนเดิมเนี่ยผลนะ่ยมันไม่เหมือนเดิม Output ไม่เหมือนเดิม มันจะมีตัวที่เออเรอยู่ตัวที่เออเรนี่แหละคือความเป็นอนัตตางั้นเราพาวนาทุกวันทําสม่ําเสมอเราก็จะเห็นว่าจิตเดี๋ยวก็เจริญจิตเดี๋ยวก็เสื่อมจิตนี้บังคับไม่ได้ปัญญาคืออยู่ตรงนี้นะไม่ได้พาวนาเอาเจริญไม่ได้พาวนาเพื่อเกลียดเสื่อมนะแต่ต้องสม่ําเสมอถ้าไม่สม่ําเสมอเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันเออเรเพราะอนัตตาเราจะไปคิดว่ามันเสื่อมเพราะเราไม่ได้ทํา ถ้าฉันทำมันก็ไม่เสื่อมฉันเก่งเนี่ยมันจะไปตรงนี้นะค่ะแล้วก็เห็นว่าการทำวัดเนี่ยถ้ามีช่วยในการภาวนาด้วยเยอะโดยเฉพาะทำวัดเช้าอะคะ่ะก็คือจะช่วยทำให้ระหว่างวันนี้จะเห็นการยินดียินรายได้มากขึ้นเหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อชอบวัดเช้ามากกว่าวัดเย็นอีกแล้ว ก, ก็ก็เลยเห็นว่าถ้าเกิดมีอย่างน้อยคือมีสองข้อนี้นะคะ่ะก็จะช่วยให้ว่าแบบ ไม่ว่าจะชีวิตทางโลกหรือทางธรรมก็ไปได้ดีคอทางโลกก็ไม่ว่าจะเป็นการทํางาน <c oughs> ก็แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้นถูกต้องแล้วค่ะแล้วในทางธรรมก็มีตั้งแต่ทุกลดลงจนกระทั่งมันก็เป็นบางครั้งที่จะเห็นว่าใจแล้วก็มี อะไรไม่รู้แยกออกมาแต่ว่ามันมก็ไม่เทียงอะค่ะก็ก็ตั้งใจว่าไม่ว่าจะเห็นทําหรือไม่เห็นทําก็ตั้งใจจะทําไปเรื่อยๆสาธุต้องเคียงนั่นแหละถูกต้องแล้วนะก็อยากขออยากกลัวว่าจะพอวนาแล้วไม่ดีเลยค่ะภาวนามาจนถึงวันนี้เนี่ยขันมันแยกแล้วไม่ทราบเพราะหลวงพ่อมีคําแนะนําเพิ่มก็ทาให้สม่ําเสมอนั่นแหละถูกแล้วล่ะแล้วก็ จิตต้องมีแรงมากกว่านี้หน่อยนึงทางความสงบเป็นช่วงๆไปจิตจะได้มีกำลังนะมนสมาธาเราทำเพื่อให้จิตมีแรงแต่ไม่ใช่ทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญานะทำสมาธิทำให้มีแรงมาจเจริญปัญญาการหลวงพ่อเจ้าค่ะระยะนี้จิตมันเกเรรู้สึกโทสะแล้วก็ออกจากก้าวราวแล้วก็ช่างมันไปะไร แล้วเมื่อสองวันนี้ยืนล้างชามอยู่ก็มันจะเห็นสภาพความความคิดในจุดนีด้เดียวแล้วก็ทําให้ปรุงต่อออกมาอีกแล้วก็เห็นว่าร่างเนี่ยมันแยกออกมามข้างๆตรงนี้แล้วก็เห็นจิตส่วนหนึ่งและความรู้มคิดออกมาว่าจิตก็คิดออกมาว่า ร่างนี้เวลามันไม่มีจิตอยู่มันก็แค่เป็นซากอะไรอย่างนั้นเท่านั้นเองนั่นแหละสมมติเราจะตายนะก็พานาอย่างนี้หละแยกมันไปเรื่อยแต่โยมไม่ทราบไปรยุเราจะพบว่าไม่มีคนตายเจ้าค่ะเวลาเราไม่สบายก็แยกไปเรื่อยแล้จะไม่มีคนป่วยก็เห็นอยู่เรื่อยๆค่ะบางทีก็กราบพระไปก็สัมผัสกับผมเนี่ยก็แบบ ไม่ทราบผมใครมึงกันนะก็เห็นอยู่อย่างนี้เจ้าค่ะแต่ทีนี้โยไม่ทราบว่าพระโยไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาหลายเดือนแล้วเจ้ค่ะแต่นี้ว่าที่เห็นเนี่ยเห็นจริงหรือว่าเห็นจริงสิเหนจรขันมันแยกก็เห็นจริงแหละถ้าขันไม่แยกก็คิดเอาเจ้าค่ะภาวนาจนขันมันแยกออกไปละวนี่สิ่งที่ต้องทําคือความสม่ําเสมอนะให้จิตมีพลังเจ้าค่ะ ต้องรู้สึกตัวด้วยความมีพลังทีนี้เมื่อตอนสักส3งสสัปดาห์มาก่อนที่น้ำจะท่วมนะเจ้าค่ะจิตยมเบิกบานมากมีความสุขมาก <Yeah. S 2> ว่าถ้าจะจะท่วมก็ท่วมมาเลยโ <Yeah. S 2> ยมอเงี้ยยินดีรับ mm hmm. เตรียมของขึ้นข้างบนหมด mm hmm. แล้วก็ว่าให้ท่วมก็ท่วมมาจะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วพอทำไปทำมาไม่ท่วมอยกัแล้วใจมันก็ค่อยๆฟอ่ไม่เห็นจะท่วมเลย <laughs> คนมันมีบุญเนะและโยมจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเจ้าคะคือทําความสงบเป็นช่วงๆบ้างจิตจะได้มีพลังหน่เจ้าค่ะแต่ว่าโยมทําบางทีก็เช้ากลางวันเย็นบางทีก็คือเวลาทําในรูปแบบเนี้ยไม่ใช่เดินปัญญารวดไปนะเจ้าค่ะให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวบ้างให้มันพักบ้างจิตจะได้มีพลังไม่ค่อยยอมพักนั่นแหละนั่นแหละปัญหาละ มันเดินปัญญารวดไปเลยตัวนี้อุูบาจารย์เคยเตือนเดินปัญญารวดไปนะเหมือนเราจะตัดต้นไม้สักต้นเรามีมีดอยู่เล่มหนึ่งนะฟันถือนั่นแหละมีดก็ทื่อๆนะฟันไม่ค่อยเข้าเหนื่อยไปรับมีดก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบฟันรับมีดก่อนนะพอมีดคมแล้วไม่กี่ทีก็ขาดเวลาเราเจริญปัญญาก็เหมือนกันนะถ้าเราเจริญปัญญาด้วยจิตที่ไม่มีพลังนะไม่มีความสงบไม่มีแรงพอมันทื่อๆไม่ตัดออก ไดนี้เมื่อตอนที่น้ําเขาท่วมมากๆมันมันเหนื่อยเจ้าค่ะและไม่เห็นนะความทุกข์เหนื่อยเจ้าค่ะมไม่ได้ทําอะไรแต่จัด<ม>แต่ของในบ้านแล้วก็ ม, มีความทุกข์มากรู้สึกว่าทุกจนมีความรู้สึกว่าโอ้โหทั้งกายทั้งใจมันมีแต่ทุกข<ม>์จนมองหาว่าจะหาความสุขตรงไหนไม่มีเลยไ ม, มีในโก่มแล้วก็เลยในใจก็เลยร้องออกมาว่า โอ๊ยมันมีแต่ทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่เอามันแล้วอต่ว่าแต่อันนี้ยังเจือโทสะอยู่มันมัวมัวมันเจือโทสะนะเจ้าคะใครขนของหนีน้ำบ้างมีไหมพวกเราเหนื่อยไหมแสดงว่าของเยอะถ้าแบบพระนะไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกไปไหนน้ำมาเหลือกว่าบาทใส่จีวรไปแล้ว กรับขอบพระคุณเจ้าถ้าเหนื่อยมากแไดงว่าสมบัติเยอะก็คนมันมีบุญเนาะสมบัติมันเยอะบางคนสมบัติเยอะจนทั้งบ้านไม่มีที่อยู่นะตัวเองอะไม่มีที่อยู่สมบัติมันอยู่เต็มบ้านแนละมีญาติหลวงพ่อนะซื้อชอบมากเลยนะก่อนไปงานราชทรรเนนะี่ยชอบมากเลยมีซื้อไม้ไม้อันใหญ่ๆนะกูอี้ตังเตียงนี่ไม้อ ย, อย่างนี้หายากต่อไปไม่มีแล้ว ซื้อมาเต็มบ้านเลยนะไม่ได้อยู่หรอกเพราะมันขี่กันเองเช้านี้ย็โดนชนเพดานน้ำหมาน้ำท่วมไปเลยเหนื่อยเพราะว่าสมบัติเยอะไปคุณเยอะ่ะของคุณเนี่ยจับหลักให้แม่นแม่นนะที่หลวงพ่อสอนนะถ้าหลักแม่นเราแยกแยกแยกออกว่าคาสอนใดตรงกับพระพุทธเจ้าคาสอนใดไม่ใช่คำสอนใดสาคัญผิด บางคนอ้างอ้างหลวงปู่ดูลยด้วยซ้ำไปหลวงปู่ดูลสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ควาจริงหลวงปู่ดูลสอนธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นถึงที่สุดถ้าเรียนมาได้แค่นี้บอกหลวงปู่ดูลสอนแคน่มีแค่นี้แหละไม่ใช่อย่างบางคนหลวงปู่ดูลสอนนะบอกให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไม่ให้ออกนอกอะไรเงี้ยประคองอยู่ภายในอันนี้สําหรับคนซึ่งจิตชอบเล่นโลดผุ่นออกข้างนอกไปเล่นไสยศาสตร์เล่นอะไรเงี้ยนะ ให้สานให้มันรวมอยู่ข้างในไม่หนีงอกไปได้สมถะบางคนหลวงปู่ดุลก็สอนบอกให้พุโทโธนะแล้วก็รู้จิตที่เป็นคนท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็รู้ทันจิตพุโทโธแล้จิตนี้ไปรู้ทันจิตแล้วตั้งมั่นอันนี้เกิดสมาธิชนิดที่สองคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งงั้นบวทีหลวงปู่ดุลสอนจะอ้างนะ น, นี่หลวงปู่สอนอย่างนี้หลวงปู่สอนอ้แต่เราไม่รู้ ว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนไม่เหมือนกันอย่างสอนจิตเป็นผู้รู้พุทโธจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคืนอยู่แค่นี้ถูกท่านด่าอีกหลวงพ่อเคยทำเนี่ยจิตเด่นอย่างเงี้ยรักษาไว้ตลอดท่านบอกไม่ได้ดูจิตเลยนั้นไปแทรกแซงจิตจนกระทั่งจิตมันอยู่เฉยเต้องปล่อยให้มันทำงานหลวงปู่มั่นเองสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนะประโยคที่ท่านสอนบอกว่าสพเปสังขาราสัพพัญญาอนิจจา สังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสังขาราสัพพสัญญาณัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตานี่คือหลักดูจิตที่หลวงปู่มัน่นสอนหลวงปู่ดุลมาไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆหลวงปู่ดูลสั่งเลยอย่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอเอาจิตไปเพ่งจิตอยู่ก็ไม่เจอนะอันดูการทำงานของมันไป ดูสังขารเช่นมันโลภขึ้นมารู้ทันเห็นว่าโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายมันโกรธขึ้นมารู้ทันโกรธชั่วคราวแล้วก็หายเนี่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลท่านสอนมาถึงตรงนี้นะแล้วตอนสุดท้ายเลยก่อนท่านจะมรณภาพ36วันท่านเห็นว่าเราเรียนไม่ทันจบหลักสูตรท่านไม่ทันแลท่านเลยสั่งว่าจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตท่านจะกลัวเราไปติดอยู่ที่ตัวรู้ ตัวรู้เนี่ไม่ใช่แค่ประคองจิตอยู่ภายในนะตัวรู้ไม่ได้อยู่ข้างในอย่างนั้นนะหลวงพ่อเคยภาวนาแล้วก็เข้าข้างในเจอหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมว้าวเลยผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนั้นนะเขาไปหลบนิ่งอยู่ข้างในนะไม่มีกิเลสโผล่เราบอกเป็นผ้าละหันนอนทับกิเลสอยู่นะงั้นแยกให้ออกนะว่าธรรมะที่หลวงปู่ดุลสอนเนะี่ยมีขั้นมีตอนสุดท้ายถึงขั้นสุดท้ายเนะี่ยการดูจิตเนะี่ย คือดูจนปล่อยวางจิตเมื่อปล่อยวางจิตได้แล้วก็จะจิตกับพุทธะจะเป็นอันเดียวกันถึงจะเข้าใจเรื่องจิตคือพุทธะเะฉะนั้นหนังสือเรื่องจิตคือพุทธะไม่ใช่เรื่องมักนะจะเป็นเรื่องผลอย่างให้ออกนะไม่ได้ไปปฏิบัติตามหนังสือจิตคือพุท ธ, ธนะนะนั้นเป็นผลคือเป็นจิตของพระอรหันต์นี่บางคนก็กลับหัวกลับหาอาลวะปฏิบัติตามหลักจิตคือพุทธะ ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนั้นผลไม่ใช่เหตุอะไรเป็นเหตุก็การเจริญมรรคเป็นเหตุจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นยังไงเห็นยังไงเห็นว่าจิตนั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่ไปดูจิตเฉย แต่ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถึงจะเป็นการเจริญปัญญาจำไว้นะเะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงไปฟังลูกศิษย์ลูกปู่คนนี้ว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้เป็นคนละขั้นคนละตอนนะแต่ละคนเรียนมาได้ไม่เท่ากันหรอกอ้าว่าไปแงประเทศเรื่องอื่น ก, การนันการของพ่อครับคืออยากจะเรียนฐานยกไม่อย่างงี้ยกไม่ต้องผนมมือยกไม่แบบร้องคาราโอเกะ อยาจะเล่นถามหลวงพ่อว่าผมไม่ทราบผมก็ใจถูกหรือเปล่าฮะคือหลังจากเรามีจิตผู้รู้แล้วเนี่ยกระบวนการแยกธาตุแยกขันธ์จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่เป็นนะบางคนไม่เป็นบางคนเป็นบางคนเนี่ยเคยฝึกเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนแล้วพอตัวรู้เกิดนะักขันแตกเลยนะแต่บางคนไม่แตกนะบางคนต้องช่วยมันพิจารณาหรือช่วยมันฝึกเั้นไม่อัตโนมัติหรอก แสดงว่าในขั้นต้นนี่ถ้าเกิดไม่มีชาติาก่อนมาคือต้องมาช่วยคิดนั่วยช่ว ย, ว, ยวิธีช่วยนะ<ต>นั่งไปนั่งหายใจไปเรื่อยนะแล้วก็ค่อยๆสังเกตร่างกายที่นั่งอยู่นี่เป็นของถูกดูอยู่นะใจเราเป็นคนดูเนี่ยแยกได้สองละกายกับใจนะถ้านั่งไปนานมันเมื่อยขึ้นมาดูไปเลยความเมื่อยเนี่ยกับกายเนี่ยคนละอันกันร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนนะความเมื่อยมาทีหลังงั้นความเมื่อยกับกายเนี่ยคนละอันกันจิตกอเป็นคนดูความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตนี่ได้3ขันแลได้เบทนาแ เมื่อยมากๆใจกัะสับกระสายเมื่ออยู่ที่ขาแต่กระสับกระส่า ย, ยมาอยู่ที่ใจนะเพราะฉนั้นกระสับกระสายกับเมื่อยเนี่ยคนละอันกันอย่างพอเมื่อยมากๆบางทีกังวล น, นะไม่นั่งนานๆเดี๋ยวไปน้ำมาพาดอะไรเงี้ยนะกังวลหรือตึงเกินไปน่ะในเนี่ยฟุ้งไปเลยถ้าสังเกตในใจที่ดิ้นรนใจที่กังวลเนี่ยเป็นอีกขันหนึ่งเรียกสังขารขันไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนานะแล้วเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างความกังวลเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าแยากได้เงี้ได้สีขันแล้ว เอาสี่ขันพอขันที่หเดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังสัญญาอย่าเพิ่งไปยุ่งมาก อ, อ, อย่างนี้ถ้าเกิดเราแยกธาตุแยกขันได้ถือว่าเป็นการวิปัสสนาไหมครับหลแยกธาตุแยกขันได้แล้วยังไม่ถือวิปัสสนานะแยกธาตุแยกขันได้แล้วต้องเห็นเลยแต่ละขันแต่ละขันนะ่ะตกอยู่ใต้ไตร ล, ลักษณ์นี่เป็นวิปัสสนามันมีธรรมะอยู่เรื่องหนึ่งชื่อโสรยานเคยได้ยินไหมโสรยานโสรยานเนี่ยไม่ใช่พระพุทธวจนะ เป็นตำราที่พระรุ่นหลังท่านแต่งขึ้นมาแต่ท่านก็เอาคำสอนของพระเจ้ามาแจกแจงให้ละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาในโสรัญญา น, นิญาณที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปกับนามแยกรูปแยกนามนั่นแหละพอแยกรูปกับนามแล้วรูปยังแยกออกไปได้อีกนะตัวรูปแยกออกเป็นอะไรแยกได้สี่คือดินน้ำไฝลมตัวนามแยกออกได้4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แยกรูปแยกนามนามรูปปริเษทยานเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสนานะก็จะเห็นอีกอรูปอย่างนี้ก็มีเหตุให้เกิดนามอย่างนี้ก็มีเหตุให้เกิดตรงที่รู้ว่าแต่ละอย่างเกิดจากเหตุเกิดจะเห็นไม่ได้ลอยๆมานะอันนี้เรียกว่าปัจจยัคปริขาหาานปัจจยปริขาหายานเนี่ยก็ยังไม่ใช่วิปัสนานะต่อไปก็จะเห็นเลยแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่คงที่นะ อย่างหน้าตาของเราตอนนี้กับหน้าตาของเราตอนเด็กๆไม่เหมือนกันหน้าตาของเราตอนตื่นนอนกับหน้าตาตอนที่ตื่นแล้วก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเนี่ยแสดงว่ารูปไม่เที่ยงอันนี้รูปไม่เที่ยงด้วยการเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่ใช่วิปัสนาเรียกว่าสมมาสนญญานนะแต่ตรงที่เป็นวิปัสนาเนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยเช่นความโกรธปุดขึ้นมาแล้วความโกรธก็ดับไปต่อหน้าต่อตาความโลภปุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตานะความสุขปุดขึ้นมาแล้วก็ดับไป ตัวที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตัวนี้เรียกว่าอุดทยับ พ, พิ ย, ยานเนี่ยขึ้นวิปัสนาตรงนี้เพราะงั้นตรงที่คุณบอกว่ารู้สึกตัวเนี่ยเป็นวิปัสนาอยังไม่เป็นแยกรูปนามเนี่ยเป็นวิปัสนาหรือ ย, ยังยังไม่เป็นต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามก่อนถึงจะเป็นอธิบายเยอะไปไหมไ ม, ไม่เยอะครับหลวงพ่ปกติเวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาบ่อยกลับเป็นสัญญา มันมีสองมันนะตัวที่จะทําให้สังขารปรุงเนี่ยสัญญาและเบทนานะที่จะทําให้เกิดสังขารปรุงต่อสัญญาอยู่มันผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงนึกออกไหมถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดเบทนาสังขารก็ปรุงนะงั้นสัญญาและเวทนานี่แหละเรียกว่าจิตตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งจิตเห็นไหมธรรมะที่ท่านสอนนะเรียเร้ยเพี้ยเพี้ยเลยนะอัศจรรย์มากเลยไม่มีลุกฟลุกเลย ทุกอย่างมีเหตุทั้งสิ้นเลยรู้ลงปัจจุบันนะรู้ลงปัจจุบันรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นจริงๆอย่าให้จิตเจ้าออกนอกปกติเวลาปฏิบัติอยู่ที่บ้านเนี่ยเราแค่ตั้งใจรู้ปัจจุบันขณะอย่างเช่นเดินจงกรมแล้วก็รู้เท้ากระทบพื้นหรื อ, อ, อยืนรู้สึกตัว เ, เวลาที่นนเน ท, ท้ากระทบพื้นนะ่ะสังเกต น, นิดนึงสักว่ารู้ว่าเห็นหรือจิตไหลไปที่เท้าถ้าจิตไหลไปที่เท้าแล้จิตออกนอกแนละ้ว แต่ถ้าเห็นร่างกายมันเดินเหมือนดูคนอื่นเดินนะจิตดูตหาห่างนะใช้ได้แต่ถ้าจงใจดึงจิตไว้ตหาหักก็ใช้ไม่ได้อีกยากตรงนี้ครับหลวงพ่อยากตรงที่จงใจดึงไว้เนี่ยเป็นสุดตรงข้างบังคับเป็นอัตตะกิลมัฏฐานิโยกตรงที่ไหลไปดูเท้ามันเดินเนี่ยตามใจกิเลสและเป็นการมาสุขาลิกานโยคสุดตง่งละสองฝั่งแล้วจะทํำยังไงดีครับหลวงพอ่อทำไม่ได้หรอก ให้รู้ทันจิตไหลไปรู้ว่าจิตไหลไปจิตตั้งมั่นอยู่รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่แล้วก็เห็นว่าจิตที่ไหลนะไม่ได้เจตนาจะไหลมันก็ไหลได้เองมันไม่ใช่เราหรอกจิตตั้งมั่นอยากให้ตั้งอยู่นานมันก็ไม่ตั้งรักษาไม่ได้บังคับไม่ได้จิตนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดนี่แหละเรียกว่าวิปัสนาเหมือนกับเดิมทีผมพยายามจะเอาเท้ากระทบปืนเป็นวิหารธรรมแล้วก็คอดูความ ตอนที่มันฟุ้งซ่านหรือมันเปิดไปคิดอะไรเงี้ยผมก็ถ้าเท้ากระทบพื้นนะสักว่ากระทบนะไปอย่าไปจ้องไว้นะถ้าคอยจ้องกระทบแล้วกระทบแล้กระทบล้ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะใจจะทื่อๆเอ า, อางี้ไปเดินนะเดินจงกรมนะเห็นร่างกายมันเดินไปไม่ต้องไปคอนซูเนตลงไปที่เท้ากระทบพื้นครับแค่เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกเงี้ยแล้วมันจะแยกรูปรนาม นะถ้ามันไหลไปอยู่ที่เท้าอย่างนั้นนะแล้วก็ใจว่างๆขึ้นมาจะเป็นอย่างตอนเนี้ยใจจะโล่งว่างนะแต่จะไม่เดินปัญญาอเนี่ยครับสงสัยครับเดินทุกวันรู้สึกว่าไม่ก้าวหน้าเลยครับไม่ก้าวหน้าอยู่ตัวเนี้อยู่เป็นกลับๆเลย<อ>นะว่าไปปลอมโลกใจจะทื่อๆอยู่อย่างนี้แหละบางทีก็มีความสุขนะโล่งว่างอีนี่ว่างอยู่อย่างนี้แหละบางคนว่าดีนะว่างสว่างนี่รันดอน <laughs> ที่จริงเป็นพบๆหนึ่งเข้าใจยัง มันถึงไม่ก้าวหน้าเพราะว่าเราไปเกาะในว่างๆสบายนิ่งๆอยู่เนื่องจากเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราคอนเซนเทร e ให้จิตไปจับอยู่ที่หนึ่งเลยชินากับการจับว่างๆอยู่สการค์ค่ะดิฉันขอเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่านามกับรูปนี่เป็นจิตกับกายใช่ไหมคะ ไม่ไม่ใช่นะเราพูดภาษาไทยนะพูดอนุโลมเอานะแล้วตัวที่เห็นการแยกกันโดยเด็ดขาดระหว่างนามกับรูปคืออะไรคะตัวที่ไปเห็นเนี่ยนะก็คือตัวจิตจิตทําหน้าที่รู้จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะเพราะฉะนั้นจิตเป็นคนรู้จิตเป็นคนเห็นแล้วก็ตัวร่างกายที่เคลื่อนไหวนะจิตเป็นคนดูอยู่นี่ก็ถือว่ารูปนะ ส่วนความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกสกุศลอกุศลเนี่ยเรียกว่าเจตสิกนะจิตนั้เป็นคนดูเจตสิกก็ถือว่าเป็นนามเหมือนกันนามมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกตัวที่สั่งให้รูปทํางานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยคือตัวจงใจใช่ป่ะตัวที่ทําให้รูปทํางานเนี่ยนะค่ะรูปเนี่ยเกิดจากเหตุปัจจัยได้ทั้งสี่ชนิดเนี่ย เกิดจากอาหารก็ได้เกิดจากกรรมก็ได้นะเกิดจากสภาพแวดล้อมก็ได้เกิดจากจิตสั่งก็ได้รูปบางอย่างเกิดจากจิตสั่งเช่นเราเดินเนี้ยจิตเป็นคนสั่งให้รูปเดินนะแต่ไม่ใช่รูปทุกชนิดเกิดจากจิตสั่งนะอย่างร่างกายเราเนี่ยเรามีความแก่เรียกชะตามีความแก่นะความแก่เนี้ยไปสั่งมันไม่ได้ว่าอย่าแก่หรือนะเราไม่ได้จงใจสั่งมันก็จะแก่อย่างเงี้ย รูปมันมีความชลาลงไปงั้นตัวนี้ไม่ใช่เกิดจากจิตสั่งแต่เกิดจากกรรมแล้วสิ่งที่ดิฉันเห็นเนี่ยดิฉันจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยแยกออกเป็นสามส่วนได้ดีนะส่วนที่เห็นเนี่ยคือยส่วนต่างหากจากส่วนที่บอกให้ให้กายเนี่ยทำใ ช, ใช่ตรงที่บอกให้ทำโน้นตัวให้ทำนี้นะ<ม>เป็นตัวสังขารมันปรุงขึ้นมา ดิฉันมีความเข้าใจว่าตัวที่ว่าเป็นกายที่เป็นตัวเฉยๆเนี่ยมันไม่มีมันไม่มันไม่มีอ่ะมันน่าสงสารเออมันน่าสงสารมันไม่ใช่คนเนาะมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เราแต่มันมีตัวไอ้ที่ตัวข้างๆที่คอยบอกให้ทํานู้นทํานี้เป็นตัวที่คอยดูแลว่าเดี๋ยวจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นคอยเตือน แต่นั่นเรียกว่าตัวสังขารแล้วตัวที่มองอยู่ล่คะค่ะนั่นเรียกว่าจิตแล้วตัวเนี้ยพอรู้ว่าตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยสั่งให้รูปทําเ อ, อแล้วพอเขามีความรู้สึกว่าไอ้ตัวที่ทําไอ้ตัวที่เป็นรูปที่มันทําเนี่ยน่าสงสารเ อ, อแล้วเขาก็หายไปแล้วเขาก็มีความรู้สึกขึ้นมาใหม่ว่านั่นแหละตัวความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ความรับรู้ความรู้สึกทั้งหลายนั่นแหละเป็นตัวเจตสิกจิตเป็นแค่คนรู้เท่านั้นเอง อย่ารู้สึกสงสารผุดขึ้นมาตัวความสงสารไม่ใช่จิตนะแล้วมันหายไปน ะ, ะเออมันเกิดระดับนั่นแหละเรียกว่ามันเกิดระดับไม่เฉพาะความสงสารแต่ว่าทุกๆตัวที่เกิดเนี่ยดับทั้งสิ้นเลยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกไหมคะมีสิทธิ์แต่อย่ายจงใจนะภาวนาไปสบายๆรู้สึกตัวเรื่อยๆแล้วมันจะแยกขันออกไปนะัขันมันแยก แล้วแต่ราคาหน้าแสดงไตรลักษณ์ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอันนี้ดิฉันยอมรับค่ะไม่ใช่ดิฉันยอมรับนะอความรู้สึกยอมรับ อ, อนะแต่แต่ดิฉันดิฉันมีความสงสัยในขณะที่ปฏิบตัติในการที่นั่งนั่งสวดมนต์หรือนั่งภาวนาเนี่ยการที่ ท, ที่ที่จะให้จิตอยู่กับที่นะี่มันเป็นไปไม่ได้ไไ ด, ดิฉันปล่อยให้เขาไปแต่ว่าดิฉันก็ก็ดูคอยคอยตามไปดูออโอเคไหมคนะถูกละ ไม่ฟุ้งซ่า น, นะค่ะฟุ้งซ่านก็ได้แต่ว่ารู้ว่ า, วาฟุ้งซ่านได้ใช่ไหมคะได้เพราะาว่าฟุ้งซ่านก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่งถ้าถึงเวลาที่เขาที่ที่ในความรู้สึกดิฉันบอกไม่ถูกค่ะว่าว่ามันเป็นยังไงแต่ดิฉันจะใช้คาพูดแบบธรรมดาธรรมดานะคะว่าบางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะนั่งเงียบๆพอนั่งเงียบๆแล้วมันก็เงียบ นิ่งเงียบไปเลยนะคะอันนั้นได้ไหมคะได้ได้สมถะแต่อันนั้นคือความรู้สึกว่าอยากนั่งแต่โดยปกติแล้วเป็นคนที่นั่งไม่ได้เออนั่นแหละมันจิตมันเข้าสมาธินะได้สมถะกรรมฐานพักนิ่งๆอยู่ไงนะไม่ไม่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะไม่เป็นอะไรรู้ว่านี่เป็นที่พักค่ะไม่ได้ที่เจริญวิปัสนาค่ะนมัส ก, การหลวงพ่อครับ เอออยากจะสอบถามเกี่ยวกับสภาวาธรรมที่ที่ผ่านมานะครับคือผมดูกายครับแล้วก็ทําสมาธิแต่ทําทั้งวันนะครเช้าเย็นเช้าเย็นสัปมาณ์สองสาวันนะครับอแล้วมันมีอยู่เสี่ยวนึงนะครับเสี่ยววินาทีเนื้อคือว่าไม่ได้เจตนาที่จะดูเหมือนที่ผ่านมาคือบอกว่าหยุดหยุดพักแป๊บหนึง่งเพราะว่าดูมาตลอดมันเหนื่อยนะครับอยู่ๆมันก็เห็นเท้าตัวเองนะแต่มันมีความรู้สึก ไม่เหมือนทุกครั้งที่เราเห็นคือมันเหมือนมันไม่ใช่เท้าเราอันั่นแหละเราไปเห็นรูปเขาละะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกใช่ครับมันเหมือนเหมือนเป็นกล้องถ่ายรูปอย่างนั้นนะอ่เหมือนไม่มีสัญญาใช่อย่างนั้นคือคืออะไรครับอันนั่นแหละจิตมันไปเห็นรูปเขามันเห็นแล้วน้าไม่ใช่ขาแล้วเป็นอะไรอย่างหนึ่งถ้าจะใส่ชื่อแบบมันเป็นรูปอย่างหนึ่งที่จิตไปเห็นเขา อันนี้ใช่สิ่งที่เราต้องการจากการปฏิบัติหรือเปลถ้าฝึกไปเรื่อยนะมันเห็นเองนะอย่าจงใจถ้าจงใจเราจะไม่เห็นนะครับต่อไปมันไม่ใช่แค่เห็นนั้นหรอกอย่ารู้สึกว่าทั้งตัวนี้ก็เหมือนในอย่างนั้นแหละมันเกิดแป๊บเดียวครับประมาณวิหน่าที<ม>หรือสองวินาทีเวลาปัญญาเกิดไม่เกิดนานหรอกแต่เวลาคิดนะคิดนานนะแต่เวลาเข้าใจเนี่ยแวบบเดียวเราต้องให้มันเกิดซ้ําๆแบบนี้อีกหลายๆครั้งใช่แต่ให้มันเกิดเองอย่าจงใจถ้าจงใจไม่เกิด แล้วมันจะเป็นทางเดิมมันจะเกิด ม, มันจะรู้เลยว่าตัวเราไม่มี๋อ oh. ไม่เฉพาะร่างกายนะกระทั่งความรู้สึกทางใจเราก็จะเห็นเลย จ, เนะจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภนะมันเห็นเห็นทางจิตใจเหมือนกับที่เราเห็นขานะนะั่นแหละไม่มีเจ้าของ เพราะภาวนั้นสัญญามันหายไปไหนครับอะไรนะสัญญามันเหมือนไม่มีสัญญาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสัญญามันเป็นตัวหลอกลวงมันชอบหลอกให้เราฟุ้งไปเวลาเห็นจริงๆนะปัญญามันทํางานสัญญาก็แสดงบทบาทได้ไม่เด่นอันนี้มันเหมือนเราแบบแคล้ายๆเราเป็นหลอกตัวเองหรืออะไรหรือเปล่าไม่หลอกแต่เดิมเราสัญญามันหลอกเราตลอดเลย<อ>ร่างกายเราจริงๆเป็นวัตถุใช่ไหมครับแต่เรามาโมเมว่าเป็นตัวเรา ใช่สัญญามันหลอกละอ ว, วันหนึ่งเราจะสัญญาหลอกไม่ได้เพราะปัญญามันทํางานได้เต็มที่แล้วมันรู้เลยไม่มีเราตรงที่สัญส ญ, ญามจะเปลี่ยนสภาพสัญญาของปุถุชนนะเห็นของไม่สวยว่าสวยเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนนี่สัญญาของคนทั่วไปเป็นงี้ พอเราจเจริญปัญญาเต็มที่แล้วจะสัญญามันจะเปลี่ยนมันจะเห็นอันนี้จะสัญญาเห็นแต่ของไม่เที่ยงดูอะไรก็มันตรึกอยู่ในมุมของความไม่เที่ยงเห็นทุกข์คสัญญาไม่ใช่เรื่องสุขแล้วมีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยเห็น อ, อนัตตสัญญาไม่ใช่อัตตะสัญญาอานัตตสัญญาหมายถึงเห็นทั้งหลายเนี่ยนะรู้ลงไปทีละ เ, เห็นไม่มีตัวมีตนสัญญามจะเปลี่ยนนะ อันนี้ใช่ภาวะที่ว่าที่อาจารย์เรียกว่าขันมันแยกออกไปหรือเปล่าขันมันแยกขันมันแยกเนี่ยคุณเห็นขากระจิตเนี่ยคนละอันแล้วนะจีนเหมือนกล้องถ่ายรูปที่ไปเห็นขาเนี่ยขันมันแยกอ๋อนะทีนี้เราต้องพยายามให้มันแยกอย่างนี้หลายๆขันหรือเปล่ามันต้องแยกบ่อยๆมันถจะยาวๆสรุปแต่อย่าพยายามนะอยากเราก็ไม่แยกเลยชาตินี้ไม่แยกอีกแล้วเพราะความอยากเนี่ปิดกั้นไว้หมดเลยการเลินสติบ่อยๆแล้วมันแยกแล้วผมต้องทำอะไรเพิ่ม ทำสม่าเสมอนะองไ ป, ไปเรื่อยๆ ด, ดูเรื่อยๆดูกายหรือดูจิตดีครับนะการที่มันเห็นขาแยกออกไปได้ดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้ดูได้สออย่างเละสิ่งที่ต้องทำมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งพยายามรักษาสี่ห้าไว้อันที่สองฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าล่องลอยไปอันที่สามดูกายทำงานดูใจทำงานเนืองเนืองมีสามข้อ <Okay. S 1> จำได้ไหม รักษาศีลไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายทำงานดูใจทำงานเหมือนมีกล้องถ่ายรูปมันนึเป็นคนดูนั่นแหละขอบคุณครับนะอ่ะวันนี้หมดเวลาเชิญ